อาตุนโมทนาบุญท่านผู้บริการแล้วก็ผู้ที่จัดกิจกรรมรวมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรมทุกทุกท่านก็รู้สึกยินดีที่วันนี้ได้มีโอกาสมาทำประโยชน์โดยการมาพูดคุยให้แง่คิด กับทุกๆท่านนั่งรมสบายนะอย่าทำหน้าตาเคร่งเครียดการฟังธรรมะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลบุญกุศลนี่เกิดจากการฟังธรรมะ นี่อาจจะเป็นเรื่องของธรรมะแต่ไม่ใช่ธรรมะที่อยู่ไกลตัวเราธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราคำ ว, ว่าธรรมะเนี่ยเป็นคำกลางๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องาศาสนาลัทธินิกายบวชหรือไม่บวช ท, ทุกคนก็คือก้อนหนึ่งธรรมะต่างนั้นแหละคือก้อนของธรรมชาติ ใครก็ตามที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธหรือไม่มีศาสนาเลยนี่ก็ฟังได้เพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของกายเรื่องของจิตซึ่งมีประจำอยู่แล้วในคนทุกคนศาสนาหรือทิระเบียบการปฏิบัติทั้งหลายทาั้งปวงนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็น กำแพงขวางกัน้นในการฟังธรร ม, มกในวันนี้นะเราเปิดกว้างเป็นเรื่องของคนทุกคนมีหลักธรรมข้อหนึ่งเพื่อเป็นหลักธรรมที่สำคัญในพุทธศาสนาที่น่าสนใจแล้วก็นำเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ก็คือหลักที่เกี่ยวเรื่องกรรมเคยได้ยินไหมกรรมกรรมคือกอไก่รอเรือรอเรือแล้วก็หมอมา้ากรรมในข้อนี้ยตัว่าถ้าเราทำความเข้าใจแล้วก็จะได้สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้กรรมเนี่ย มันมีความหมายความหมายของกรรมก็คือการกระทำอะไรก็ตามการพูดอะไรก็ตามหรือการคิดนึกอะไรก็ตามที่ประกอบด้วยเจตนาหรือความตั้งใจอันนั้นถือว่าเป็นกรรมบางคนทำพูดคิดแต่ไม่ได้ตั้งใจก็มีใช่ไหม อันนั้นยังไม่ใช่เป็นกรรมที่แท้จริงเราตั้งใจพูดตั้งใจทําตั้งใจคิดอันนั้นจะเป็นกรรมทั้งหมดแล้วบางคนจะสงสัยว่าเอะเราเดินไปแล้วเหยียบมดตายตัวงโดยไม่เจตนาเนี่ยจะเป็นกรรมหรืออันนั้นยังไม่ใช่เป็นกรรมนะตัวเป็นก็เลยเป็นกริย า, รยาหรืออาการที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ไดเจตนาใช่ไหม ในตัวบทกฎหมายเขาจึงบอกว่าถ้ามีการไตรตรองวางแผนไว้ก่อนนวว่าจะเจตนาใช่ไหมจะมีโทษหนักกว่าความประมาทที่ไม่ได้ตั้งใจที่ซ้าไปนะความประมาทผิดด้วยความประมาท<ม>ด้วยบันดาลโทษะหรือไม่ได้ตั้งใจอันนั้นโทษทันก็จะลดลงไปตามเหตุการณ์ เพราะนั่งกรรมคือต้องตั้งใจเจตนามันจึงเป็นกรรมแน่นอนเพราะบางคนบอกถือสินห้าในภาษานี้ถือสินห้าแต่เผลอบี้มดกับอะไรตัวเผลอนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นกรรมของเรายังไม่ใช่ยังไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ตั้งใจอาจจะเกิดจากความประมาท ไม่รู้เท่าฐานไม่รู้ตัวเผลออก <c oughs> ็เพียงแค่นั้นเองกาสติกรรมต้องเจตนาจึงจะมีผลมันเป็นคำกลางกลางนะกรรมเนี่ยเป็นคำกลางกลางจะว่าคำว่ากรรมเนี่ยดีหรือชั่วนั้นยังไม่ได้ก่อนจกว่าจะมีสิ่งต่อท้ายว่าทําดี หรือทำชั่วทำดีคือกรรมดีทำชั่วคือกรรมชั่วคือกรรมไม่ดีนะ ม, มันต้องมีสิ่งต่อท้ายจึงจะขยายคำว่ากรรมนั้นเป็นเจตนาหรือไม่เป็นคำกลางๆบางคนก็บอกว่าเอ๊เราจะมกักจะมองในแง่ที่ ว, ว่าคนที่ถูกไฟไมหม้บ้าน เราก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นกรรมของเขาเป็นกรรมของเขาเลยถูกไฟไหม้บ้านแต่เวลามางคนที่ถูกรถตวุวันที่หนึ่งเราบอกว่ายัางไงไหมอ๋อเป็นบุญของเขาเรามองเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของการสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมสุภาพอ๋อเป็นกรรมขเขาที่จริงมันเป็นการกระทําของเขาเท่านั้นเองไม่ใช่ว่า พอทำไม่ดีแล้วแต่ว่าเป็นกรรมพอทำดี น, นั่นเป็นบุญเขาก็ทำกรรมดีเขาก็ทำกรรมดีนะัก เ, เรียกว่ากรรมดีคือผลออกมาดีกรรมไม่ดีผลออกมาไม่ดีเป็นคำกลางๆเราอย่ามองว่าคำว่ากรรมสิที่ไม่ดีเสมอไปไม่ใช่ต้องมีคำขยายซะก่อนเหมือนคำคำหนึ่งในศาสนาที่เขาพูดถึงเรื่อง เวทนาคือเขาว่าเวทนาไหมเวทนาดิในเขาเรียกว่าเวทนาหรือเวทนาเราจะมองในแง่ที่ว่าหน้าสงสารเวทนาคือหน้าสงสารเวลาเขาป่วยไข้ขึ้นมาเนี่ยอาการก็รุนแรงนู่เวทนาหน้าเวทนาใช่ไหมส่วนคนที่ดูหนังแล้วมีความสุข แล้วก็หมายถึงว่าโอ้อันนั้นเขาเขาไม่มีเวทนาเขากำลังมีความสุขเวทนาเนี่ยหรือเขาเวทนาเป็นคำกลางกลางเวทนาหรือเวทนาเนี่ยมันแปลว่าความรู้สึกความรู้สึกถ้าว่าดูหนังแล้วสนุกก็เรียกว่าอ๋อสุขเวทนาหรือสุขเวทนา เขรู้สึกว่าเขาเป็นสุขหรือเวลาเราป่วยไขย้นอนเจ็บปวดร้องครวนกลางอันนี้คือทุกขะเวทนาเวทนาก็คือคำกลางกลางเหมือนกันอย่ามองในแง่ถึงว่าเวทนาสิ่งที่ไม่ดีเลยน่าสงสารอย่ามองอย่างนั้นเป็นคำกลางกลางต้องมีคําขยายสุขหรือทุกขต้องมีคําขยายสุขเวทนาทุกขเวทนา นั้นเราจำได้แล้วนะสองคำนะในภูษาศาสนาสองคำกรรมคือคำกลางๆจะเกิดผลได้นะั้นต้องดูมีคำขยายข้างหลังว่าสุขหรือทุกข์หรือดีหรือชั่วกรรมดีกรรมชั่วสุขเวทนาทุกขเวทนาต้องมีคำขยายนั้นใช้คำนี้ไห้ถูกต้องเราจะได้ไม่สับสนอย่างเช่นคำพูดที่ว่า ฉันอยากจะ น, นี่บอกได้ไหมว่ามันเป็นกรรมหรือยังฉันอยากจะอยากจะทำความดีใช่เาเรียกเป็นกุศ ล, ลกรรมฉันอยากจะทำความดีอยากจะคือการกระทำแต่ไม่รู้อยากจะทำอะไรต้องขยายว่าอ๋อทำความดีนี้เป็นกุศลธรรมต้องมีคาขยายตามหลังสะกอนฉันอยากจะพูดฉันอยากจะพูด บอกแล้วว่าพูดดีหรือไม่ดีฉัน <l ux> <l ux> อยากจะพูดพูดธรรมะนะ <l ux> อ้อนี่พูดดีเรียกว่ากุศลกรรมต้องมีคำขยายตามหลังสองคำที่เราต้องเอาไปใช้นะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าใครก็ตามที่ทำความผิด หรือทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ในอนดีตเนี่ยวิธีการจะลืมมันเนี่ยบางทีมันยากมากใช่ไหมเขาเรียกว่ามันติดที่ติดจิตใจเขาเลยนะติดจิตใจเราคิดที่ไรเนี่ยเราปวดราวทุกทีเคยไหมทุกคนจะต้องมีเรื่องที่มันเลวร้วายเคยทำไม่ดีเอาไว้ในอนดีตแล้วคิดทีไรเนี่ยรู้สึกมันเจ็บปวดบางทีก็นอนไม่หลับ เอาเรื่องราวในอดีตมาคิดพิจต ก, กังวลเรามีไหม <c oughs> <c oughs> บางคนอยากจะลืมแต่มันลืมไม่ได้มันลืมไม่ได้มันติดที่จิตที่ใจเราเรกว่ามันเปกรรมในอดีตที่มันค้างคาใจมาจนถึงปัจจุบันอยากจะลืมก็ลืมไม่ได้ยิ่งอยากลืมมันก็ยิ่งคิดคิดทีไรก็เศร้าหมองทุกที บางคนเรียกว่ามันเป็นแผลลึกอยู่ที่กลางใจยากที่จะลบเลือนได้แต่ว่าเราลบได้เรามีวิธีการที่จะทำอย่างนั้นที่จะไม่ต้องกลับไปคิดถึงเรื่องเร็วร้ายแหนดีก็ได้เพียงแต่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองอยู่กับปัจจุบัน ชีวิตอยู Tim, head, no so ่กับปัจจ so like, like like ุบันเนี่ยมันไม่คิดถึงอดีตหรอกมันไม่ไปอาลัยาวรถึงเรื่องอดีตหรือกังวลถึงเรื่องอนาคตต้องอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราต้องอยู่แบบสร้างความดีถ้าจะลืมสิ่งเรื่องราวนอดีต้องสร้างความดีในปัจจุบันเพราะเรื่องอดีตเนี่ยเราสร้างความดีไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วต้องเริ่มต้นที่ปัจจุบันสร้างความดีในปัจจุบัน เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กรรมเก่าหรือการมในอดีตเนี่ยตามมาทันแต่มันไม่หมดแต่มันตามไม่ทันเพราะสิ่งที่ดีในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะลบเลือนแต่ไม่ลบล้างลบเลือนทําให้เราใจเราไม่คิดถึงอดีตอยู่กับปัจจุบันทําความดีแล้วก็ต้องไม่ไม่กลับไม่กลับไปทําเหมือนเดิมอีกถ้ากลับไปทําเหมือนเดิมเมื่อไหร่นะก็กรรมในอดีตมันก็ส่งผลอีก อย่าไปทำเหมือนเดิมให้ทำกรรมใหม่คือทาความดีการดีในปัจจุบันตะมันจะได้ตามไม่ทันและอีกอันก็คืออย่าได้ไปคิดอย่าพยายามไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ทำให้เราต้องปวดรา้าวอย่าไปคิดเราจะทาผิดตั้งต่เลวไายมากน้อยแ ค, แค่ไหนก็ตามเลวไล่ขนก็ตามเนี่ยอย่าไปคิดถึงมันถ้าคิดถึงมาแล้วก็ ความคิดเนี่ยมันทําทําร้ายใจเรากรรมมันเกิดจากความคิดนะถ้าไม่คิดไม่เป็นกรรมนะมันเกิดจากความคิดที่คิดขึ้นมาเราลืมไปแล้วมันจบไปแล้วอยู่ปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าไปหวนคิดมาเมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะเจ็บปวดอีกเหมือนกันอย่าไปคิดแต่ว่ามันห้ามได้ไหมความคิด คนที่ทำผิดเอาไว้เนี่ยมันห้ามได้ไหมความคิดอย่างน้อยมันก็ต้องคิดขึ้นมาแน่นอนละ่ะ mm hmm. ถึงแม้เราตั้งใจจะไม่คิดมันก็ต้องคิดนะ่ะว่ามันบีบคั้นแนอดีบีบคั้นมาจนทั้งถึงปัจจุบันห้ามแม่คิดไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่เรามีวิธีหนึ่งให้เรามีสติรู้ทันในความคิดตัวเองซะให้มีสติรู้ทันความคิดนะ มันคิดขึ้นมาก็ให้รู้ทันจิต ท, ที่มันคิดนึกรู้ทันเมื่อไหร่แล้วก็สิ่น้นมันก็จะลบหายไปในจิตใจเราบางคนก็บอกว่าอย่างนี้เราไปทำความไม่ดีในอดีตไว้พอถึงปัจจุบันเราก็ตั้งใจจะไม่คิดเลยมันห้าไม่ได้หรอกมันต้องคิดอะ่ะเขาจะบอกว่ากรรมแม้แต่นิดเดียวกรรมชั่วนะแม้แต่นิดเดียวเนี่ยไม่ทำเสร็จเลยจะดีกว่าเพราะมันมีผล ธรรมชาติของจิตใจคนเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สะสมกรรมและก็กิเลสทั้งหลายเอาไว้มากมายเพราะนันยากที่เราจะห้ามมันห้ามไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นีนเราห้ามได้ไหมไหนใครห้ามความโลภความโกรธควา ม, วามหลงได้บ้าง <c oughs> ใครห้ามคิดในสิ่งที่ไม่ดีได้บ้าง เราก็อยากจะคิดดีแต่บางทีจิตตอนนั้นมันก็คิดไม่ดีก็ได้ใช่ไหมล่ะนั้นเรื่องกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยเราอย่าไปห้ามมันเไม่สามารถห้ามมันได้หรอกมันต้องปรากฏขึ้นเป็นขณนะแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันสิ่งนั้นก็จบลงไปในความคิดท่านั้นถ้าเรารู้ไม่ทําหมือแล้วเราก็ต้องทาตามเมือนั้นนั้นบางคนบอกเอ๊ะทำไมกิเลสเรามากทำไมความคิดเราเยอะ อย่าไปกังวลเมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของจิตใจจิตทุกดวงทุกคนเนี่ยจะมีที่สะสมกรรมต่างๆแล้วก็กิเลสต่างๆเอาไว้แต่มันจะออกมาไม่ได้ถ้าเรามีสติรู้ทันก็จบลงอยู่ที่ ท, ที่ความคิดเท่านั้นเองอย่าไปห้ามความโกรธให้เรามีสติรู้ทันความโกรธซะก็ะใช้ได้อย่าไปห้ามความโลภ ก็มีสติรู้ทันความโลภซะก็ใช้ได้อย่าไปห้ามความหลงเราสร้างความรู้สึกตัวไว้มันก็ควบคุมความหลงได้คุมกําเนิดความหลงได้โดยการสร้างความรู้สึกตัวบางคนว่าไม่อยากคิดมากไม่อยากคิดเยอะเพราะคิดทีไรมันฟุ้งซ่านนมาไม่หลับมันห้ามไม่ได้หรอก จ, ดดจะคุมกำเนิดความคิดได้นั้นจะต้องฝึกสติสติบังคุมกำเนิดความคิดคนเราสมัยนี้ก็ต้องมีการคุมกำเนิดไม่งั้นลูกจะเยอ ะ, ยอะก็เลยแนะนำว่าอย่าไปคุมกำเนิดเลยคุมกำหนักปะ <c ười> คุมกำหนัก้วมันก็จะมีอะไรกำเนิดขึ้นมาหรอกํำหนัดเกิดขึ้นที่จิตที่มันเกิดความคิดให้มิสติรู้ทัน รู้ทันในความกำหนับปะคือคนที่ต้องการที่จะคุมกำเนิด น, นะลองคุมกำหนับด้วยสติด้วยไม่เจ็บตัวด้วยได้สติได้ปัญญาเด้อย่าไปคิดถ้าคิดให้มีสติรู้ทันกรรมก็จะไม่ส่งผลรู้ทันความคิดเนี่ยเคยไปพุทธมณในเลือนจาผู้ต้องขังเนี่ยก็น่าสงสารที่ว่า เขาถูกอดีตหลอกหลอนคนที่ทําความผิดในอดีตมากมายแม้ว่ากําลังรับโทษตันในเรือนจําแล้วแต่จิตเขาก็ยังไม่ปกติเพราะเขาคิดในสิ่งที่เราทํามาคิดในสิ่งที่เราทํามาคิดตีร่ายก็เจ็บปวดทุกทีเขาจะทําอย่างไรดีก็แนะนําเขาว่าอยู่กับปัจจุบันสิ เรื่องทั้งหลายมันเกิขึ้นจากอดีตเราเคยเป็นพุทธิธรรความปิดทํากับความชั่วไว้ในอดีตในปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นต้องตัดตอนชีวิตชีวิตอดีตก็คือส่วนอดีตต้องตัดตอนให้อยู่กับปัจจุบันให้มีสติใช้ชีวิตในเรือนจำด้วยการรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอจิตที่รู้สึกตัวหรือมีสติอยู่เนี่ยมันทาให ชีวิตทั้งหมดเนี่ยอยู่กับปัจจุบันมันก็จะลืมเรื่องราวในอดีตไปเองฝึกแค่อยู่ปัจจุบันเขาก็จะเอาชนะอารมณ์ที่สูกอดีตมาหลอกหลอนได้มันก็ย่อมมีเป็นระยะะๆหนึ่งแต่มันจะน้อยลงน้อยลงให้เขาฝึกสติเอาไว้ให้รู้ทันความคิดที่เกิดในจิตของตัวเขาเองเขาอาจจะบรรลุธรรมในเรือนจำก็ได้ไม่แน่นะ ถ้าวันรู้ต่อนเนื่องไปบ่อยๆเนี่ยเขาแก้ปัญหาเรื่องความคิดในความผิดที่ตัวอดีตมาหลอกหลอนเขาได้ก็โดยการฝึกสติอยู่กับปัจจุบันทนั้นในวันนั้นทุกทันที่อยากจะลืมเรื่องราวในอดีตนะก็ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันเอาไว้กับการใช้ชีวิตนั่นแหละมันก็จะลืมได้ไปเองโดยธรรมชาติของจิตที่ไม่ย้อนคิดไปในอนดีต เรื่องกังวลในอนาคตยังไม่เท่าไหร่แต่เรื่องอดีตเนี่ยมันมันทำใจให้เศ้าหมองมากมายใค้เขาฝึกแล้วทุกคนก็ต้องฝึกด้วยนะใครที่อยากมีชีวิต ป, ปัจจุบันอยากจะมีชีวิตใหม่อยากจะลืมเรื่องเก่าๆดีก็ต้องฝึกสติอยู่กับปัจจุบันอยู่การทำงานอยู่การใช้ชีวิตนี่แหละในชีวิตประจำวันทุกคนต้องมีความรู้ตัวรู้ตัวสองคำคือรู้ตัว แค่รู้ตัวนั้นชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันทันทีเลยไอ้ความรู้ตัวตรงนี้แหละก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่เดียฝึกชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันกับการทางานเนี่ยด้วยความรู้ตัวกับการใช้ชีวิตนี่แหละมีใครเคยฝึกสติบ้างไหมฝึกเอาไว้นะมีประโยชน์มากอันนี้เป็นเครื่องรางเครื่องรางของขลัง เอาชนะความทุกข์ไม่ต้องไปห้อยไปแขวนสิที่ศักดิ์สิทธิ์เรามีความรู้สึกตัวมีสติเอาไว้เป็นพระสติคล้องใจเอาไว้อันนี้เป็นเครื่องลางของขังป้องกันความทุกข์เนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ทางานทางานในกระทรวงอุตสาหกรรมเราลองฝึกสติดูสิ กับการทํางานเรากําลังทําอะไรในปัจจุบันนั้นให้เรามีความตั้งใจสักหน่อยตั้งใจทำนั่นแหละเรามีสมีสติเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันแล้วขณะฟังนี่ก็ตั้งใจฟังในะปัจจุบันเนี่ยก็เกิดสติอยู่แล้วในตัวเองคําว่าตั้งใจเนี่ยคือใจมันตั้งขึ้นตั้งขึ้นคือตั้งสติตัวเองนั่นเอง ไม่ได้ไปใช้อะไรยากเย็นเลยตั้งใจทำนานปัจจุบันนั้นต่อหน้าเราเป็นแดนงางเราตรงนั้นแค่ตั้งใจสติก็เกิดแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งยากเย็นในปัจจุบันพอตั้งใจปั๊บชีวิตทั้งหมดก็อยู่ตรงนั้นอะอยู่ที่ปัจจุบัน ท, ทันทีแต่มันเดียวๆใช่ไหมพอเริ่มตั้งใจเดียวไี้ใจก็คิดละคิดไปในอดีตอนาะคตคิดไปมากม า, กมายไปตกกัวงวลสารพัดอย่างเราห้ามไม่ได้หรอก แต่ถ้าเรารู้ทันซะเราก็มาตั้งใจทําใหม่สติมันก็เกิดเป็นขณะขณะขณะสติมันจะไม่เกิดเป็นเหล็กเส้นเพราะสติมันก็มีสิที่เกิดดับเหมือนกันสติจะเกิดขึ้นเป็นขณะแต่มันก็ดับไปแล้วมันเกิดใหม่แล้วก็ดับไปเกิดใหม่แล้วก็ดับไปเป็นขณะขณะไม่ใช่เหล็กเส้นแต่มันเป็นข้อเหมือนโซ่ที่มันร้อย เกิดดับเกิดดับบางคนปฏิบัติธรรมแล้วฝึกสติแล้วทําไมสติไม่เคยเกิดทําไมมันจึงหายไปนานไปแตมันหลงนานเราต้องฝึกบ่อยๆคนที่ฝึกสติเป็นประจำเนี่ยพอมันหายไปแล้วมันเกิดได้ไวหายไปแล้วเกิดได้ไวหายแล้วเกิดได้ไวใช่ไม่มมันตั้นมันจะไม่นานต้องฝึกบ่อยๆ อ, อะไรที่ทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยมาก เรามีความมิจตกกังวลบ่อยๆความกังวลนันเกิดขึ้นบ่อยๆเราเป็นคนชอบคิดความคิดก็เกิดขึ้นบ่อยๆถ้าเราชอบฝึกสติกับการใช้ชีวิตสติก็เกิดบ่อยเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นแหะเนี่ยมันจะเกิดบ่อยเพราะที่เราฝึกบ่อยๆฝึกอยู่กับปัจจุบันกับการใช้ชีวิตการทํางานเมื่อจิตมันหลงมันเผลอไปมันคิดไปก็ปล่อยมันไปแล้วก็เริ่มตั้งต้นที่จะรู้สึกใหม่กับปัจจุบันปัจจุบัน นี่นเปการฝึกสติที่ง่ายๆในชีวิตประจำวันมีการทําอะไรบ้างที่ไม่ต้องใช้สติอ่ะ <c oughs> มีไหมถ้าเราไม่ใช้สติในการทํางานก็ใช้ด้วยความทําด้วยความเคยชินมันก็จะผิดพลาดมันจะมีความหลงหลงลืมตัวว่าเรากําลังทําสิ่งอยู่ตรงนี้แต่ทําด้วยความชํานาญใจเราลอยไปไหนก็ไม่รู้ทําด้วยความชํานาญเราขับรถไป เราคุยกันไปใจมีอยู่ ก, การขับรถแต่เราขับด้วยความชำนาญด้วยความเคยชินมันก็ยังไม่ปลอดภย100ัยร้อเปรเต่าเราตั้งใจขับรถตั้งใจทำรารงศรัทธาหนึ่งแล้วก็สติจะเกิดขึ้นจะเป็นความเคยชินที่มีสติประกอบขึ้นประกอบด้วยสติแล้วก็จะไม่ผิดพลาดถึงจะผิดมันก็รู้ทันฝึกเอาไว้ ทำอะไรก็มีความรู้ตัวเวลากายมันขยับไปทำอะไรใจก็รู้มันเรงกายขยับใจรู้เวลาใจมันคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้ทันตัวมันเองรู้ทันใจที่มันคิดจะรู้ตัวมันเองเพราะเราฝึกเอาไว้รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกสองอยา่างการฝึกสติในชีวิตประจำวัน รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเวลากลายเคลื่อนไหวเราก็รู้ทันใช่เนี่ยสร้างดีใจล้สัส้นใจที่ะมีสติลวเวลาใจมันคิดปรุงแต่งก็รู้ทันไม่ได้ห้ามเลยแค่ตามรู้นั่นเองการปฏิบททัติธรรมการฝึกจิตไม่ได้ห้ามอะไรปล่อยมันเกิดโดยธรรมชาติแต่เราเพียงแค่รู้ทันเนี่ยเรารู้ทันเอง ถ้าไปห้ามเนี่ยมันเครียด เ, เวลาใครห้ามเราทําอะไรเนี่ยเราอยากจะทําตรงนี้เขาห้ามอ่ะพอาะเาห้ามดูเราก็อยากจะดูที่เขาห้ามยิ่งห้ามมันยิ่งยุอย่าไปห้ามให้มันแสดงตัวมาแค่รู้ทันมันจะจบลงที่รู้ทันเนี่ยผมเคยเห็นพระเวลาเข้าสวดบางสกุลเนี่ยเขาจะมีตละลัปัดใช่ไหม สี่อันเขาก็สวดตาปัด ก, ก็บังเอาไว้ <c oughs> เห็นเด็กมันชะโงกดูเช่าดูพระหลังตาลปัดว่าทำอะไร <c oughs> เวลาพระสดๆๆวดไปเด็กก็แอ บ, บชะโงกดู <c oughs> พระก็เลื่อนตาลปัดแต่พอพระเปิดตาลปัดมาวาแล้วก็สวดธรรมดาเนี่ยเด็ <c oughs> กไม่ชะโงกดูทั้งดู เด็กมันสงสัยว่าเอ๊ะทำไมห้ามดูตรงนั้นทําไมพระเอนตาปัตัดมาบางหน้านะสิ่งที่ห้ามเมืไหรนะเราห้ามคิดเนี่ยมันก็ต้องคิดห้ามโกรธมันก็ยิ่งโกรธเพราะให้การห้ามมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของจิตใจมันกิเลสมันมีหน้าที่จะต้องแสดงตัวมันในจิตใจใช่ไหมกิเลสหน้าที่แสดงตัวหน้าที่ของกิเลสมันต้องทําหน้าที่ของมัน ถ้ากิเลสไปทําหน้าที่มันก็ไม่ใช่กิเลสหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเป็นโลกเป็นกลออกไปลงมันเป็นหน้าที่ของเขาแต่หน้าที่ของเราคือต้องมีสติมีปัญญารู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางมาันตัวเองต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ก็ยุติธรรมแล้วเราห้ามขโมยไม่ให้มันขโมยของได้ไหมขโมยมันก็ทาหน้าที่ขโมยสิ ถ้ามันไม่ขโมยจะเรียกว่าขโมยได้อย่างไรแต่เราไปเจ้าของต้องทําหน้าที่อะไรเก็บงําให้มันดีปิดให้มันสนิทมิดชิดนะัคือหน้าที่ของเราจะไปห้ามขโมยไม่มาขโมยของเรามันห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามมันยิ่งน่ากลวมีอะไรดีบ้านนี้ห้ามตํารวจแม่้จับขโมยก็ไม่ได้ตํารวจมีหน้าที่จับขโมยคือแต่ละคนเนี่ยต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้มันถูกต้อง ห้ามแมวไม่ให้จับหนูได้ไหมแมวมัต้องจับหนูงั้นจะเรียกว่าแมวเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยปล่อยตามธรรมชาติอิสระปล่อยก็ทำบางทีเราก็คอยรู้ทันปีสติคอยรู้ทันเท่านั้นเองมันจะง่ายทำแค่หนึ่งเดียวถ้าไม่ให้คิดมันไม่ได้แต่มาคิดแล้วปสติรู้ทันเนี่ยเราทำได้เนี่ยเราฝึกได้ในชีวิตจาวันของเรา ฝึกเวลากายเคลื่อนไหวสติรู้พระเองเวลาใจมันคิดสติรู้ไม่ใช่รู้เพื่อให้มันดับรู้เพื่อว่าอ๋อนี่มันคิดรู้มันคิดพอรู้ว่ามันคิดแล้วเนี่ยตอนนี้เราต้องต้องใ้ความคิดใช่ไหมเราก็ตั้งใจคิดอย่างมีสติคนที่ตั้งใจคิดอย่างมีสติเนี่ยมันจะคิดได้ไม่นานและคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นระเบียบเป็นระบบแล้วมันจบอยู่ตัวมันเอง คนเราสวนมากก่อนจะนอนเนี่ยก็เอาเรื really sure ่องราวทั nope. ้งวันเอามาคิดคิดก่อนจะนอนโดยที่ไม่ตั้งใจคิดแต่มันก็คิดอ่ะคอเราจึงนอนไม่หลับเพราะความคิดนั่นแหละยิ่งห้ามแม่มันคิดจะให้มันหลับมันก็ไม่มีทางเพราะจิตที่คิดจะห้ามมันเนี่ยห้ามไม่ให้คิดแล้วก็อยากให้มันหลับเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ปกติอย่าไปอยากให้มันหลับอย่าไปอยากไม่ให้มันคิด มันจะคิดมันจะไม่หลับก็เรื่องของมันเห็นไหมแค่เรารู้ว่าอ๋อมันไม่หลับก็คือไม่หลับใจมันจะผ่อนคลายละอิสระของเขามันจะคิดก็คิดดิเนี่ยเราไม่ห้ามมันความคิดเดี๋ยวมันก็เกิดดับแล้วมันก็หายไปเองก็หลับไปเองอย่าไปห้ามนะคนที่นอนไม่หลับเดี๋ยวไปห้ามถ้าไปห้ามมันก็ต้องเราห้ามมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราก็ต้องกินยาระงับใช่ไหมกินยาระงับ กินยาให้มันหลับซึ่งสมัยเนี้พึ่งยากันมากแม้แต่หมอเองก็ใช้ยานะหมอเองก็คิดเยอะนะแต่หมอต้องใช้ยาช่วยไม่ได้ว่าจ่ายยาคนไข้ยอย่างเดียวแต่ยาจ่ายยาให้หมอนั่นแหละหมอก็คือคนไข้ตัวเอง <c oughs> ใจของคุณหมอเนะะี่ะคือคนไข้ของคุณหมอต้องดูแลเองนั้นเวลามันไม่หลับไม่เป็นไรหรอกไม่หลับก็ดี เราจะเจริญสติให้ยันสว่างเลยเห็นไหมพอยอมรับแล้วเราจะทําอะไรขึ้นมาปะเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลับเลยอย่าไปอยากให้มันหลับไม่หลับก็คือไม่หลับอย่าไปนอนพลิกไปพลิกมาจนลาคาญไม่หลับก็ลุกขึ้นมาทําอะไรซะพรเพิ่งเลยเดี๋ยวมันก็อยากจะหลับอีกเนี่ยตอนเนี้ยเวลานั่งฟังอาจจะง่วงอยากจะหลับใช่ไหมอ่ะลองไปหลับควางจริงเลยไม่เอาแล้ว แล้วมันทีจิตมันต้องต้องรู้ทันมันเมื่อมันหลับก็คือหลับไม่หลับก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราจะจิตสติยันสว่างเลยเป็นบุญเป็นกุศลด้วยพอเรายอนรับแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็หลับก็จิตมันได้ผ่อนคลายไม่ถูกบังคับเนี่ยวิธีการรู้ทันจิคือตรงนี้ต้องปล่อยมันเป็นไปให้จิตมันคิดแต่เราก็รู้ทันเนี่ยเป็นสติเป็นปัญญา การฝึกสติเนี่ยมันเป็นมันเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อมีสติแล้วเนี่ยเรื่องของสมาธิไม่ต้องพูดถึงหรอกมันจะเป็นของแถมสติจดจ่อตรงไหนสมาธิก็เกิดตรงนั้นสติจดจ่อตรงไหนสมาธิเกิดตรงนั้นมันเป็นธรรมก็เรียกข บ, บวนธรรมที่มันคู่กันสติคือความรู้ตัวสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเราตั้งใจที่จะเขียนหนังสือสักตัวหนึ่ง มันจะมีสติมีความตั้งใจสมาธิจะตั้งมั่นจดจ่ออยู่ที่หนังสือที่ปากกาที่สมุดที่ปากกาใช่มมันเป็นของประกอบกันมันก็มาฝึกสติแล้วทำไมไม่ฝึกสมาธิด้วยหรือมันใช้เดียวกันได้แต่เป็นสมาธิที่มีสติที่รู้ตัวรู้ตัวไม่ใช่สมาธิหลับตาแล้วก็หัวหักลงมา มันมีสมาธิที่มีสติด้วยเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะเป็นธรรมชาติของจิตแค่ตั้งใจทใําอะไรสักอย่างหนึง่งมันจะมีสมาธิโดยธรรมชาติและความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆอดีตอนาคตมันเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตมันตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันสมบูรณ์แล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆ ค, คลายลงไปดับลงไปเลยถ้าตั้งใจทําในสิ่งในสิ่งหนึ่ง ทุกจะไม่เกิดเมื่อเราไม่สติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทุกอะไรก็ไม่เกิดทั้งนั้นแหละที่มันเกิดเพราะว่าเราเผลอเผลอตัวเผลอสติปล่อยไปคิดนึกแล้วบอกว่าสติไม่ดีเราสติไม่ดีสติเนี่ยมันดีสติไม่ดีเนี่ยสติดีคําว่าสติเนี่ยมันดีทั้งนั้นอ่ะแต่เรานิสัยไม่ดีบอกสติไม่ดีแล้วเราสติดีครับ อนิสัยเราไม่ค่อยดีเขาต้องเรียกว่าฝึกหัดดัดนิสยัยฝึกหัดอนิสัยด้วยสายการเจริญสติและฝึกหัดดัดนิสยัยมันเป็นกุศลนะถ้ามีสติจิตเป็นกุศลเลยศีลห้าทั้งหมดอยู่พร้อมศีลจะมีครบได้นั้นจะต้องมีสติถ้าขาดสติเมื่อแล้วก็ศีลมันมีโอกาสที่จะด่างพร้อยหรือผิดได้สติไม่ถึงความสำรวม ศีลก็หมายถึงคําสํารวมเหมือนกันไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็เป็นศีลถ้ามีสติแล้วมันก็ไม่เบียดเบียนใครเป็นการละความชั่วทำความดีละกรรมชั่วทํากรรมดีสติเป็นส่วนที่ดีเป็นกรรมดีเป็นกุศลธรรมนี่เราฝึกเอาไว้แค่ฝึกสติในชีวิตปัจจุบันนะ่ะอย่างเดียวเท่านั้นนะ่ะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้ทั้งปัญญาถ้าเราฝึก บ, บ่อยๆ เวลากายเคลื่อนไหวใจรู้เวลาใจมันคิดสติรู้แค่รู้ทันตรงนี้เราจะเกิดปัญญารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของจิตแต่เรานั่งปับ๊บรู้สึกเมื่อยสติรู้วอ่อนี่อาการเมื่อยเป็นเรื่องของกายเนาะกายมันต้องเมื่อยมีกายใครไม่เมื่อยบ้างไหม กายอ๋อเมื่ อ, อยเป็นทุกขเวทนาะอ๋อนี่เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราเราก็รู้ฐันเท่านั้นเองในฟอกกายเมื่ อ, อยใจก็ทุกเวลาร่างกายมันหิวใจก็โกรธใช่ไหมเราเป็นได้ยางเงี้ยความหิวกับความโกรธได้ เ, ดไดเป็นสิ่งเดียวกันไหมความหิวกับความโกรธเป็นสิ่งเดียวกันไหมความหิวภาษาอังกฤษว่าอย่างไรแล้วความโกรธภาษาอังกฤษว่ายังไง มันโกลากันแต่เราพอหิวปั๊บกโกรธเลยอาหารไม่ถูกปากเพราะนั้นคนที่ฝึกสติแล้วเนี่ยความหิวก็เกิดที่ร่างกายสติรู้ทันก็จบใจไม่ต้องโกรธและอาการป่วยไข้ในรเรื่องของอะไรร่างกายและจิตใจร่างกายมันป่วยมันไข้และใจเป็นไงทุกข์เหลือหลาย เราต้องแบ่งแยกตัดตอนชีวิตชีวิตเรามีกายกับจิตร่างกายก็ทําหน้าที่เจ็บไข้ได้ป่วยตายไปแต่จิตใจทําหน้าที่อะไรแค่รู้รู้แล้วก็ช่วยเหลือร่างกายต้องแบ่งหน้าที่กันกายป่วยใจรู้ก็ดูแลกายไปหายาให้มันกินเมื่อไม่หายก็ไปพาไปหาหมอต้องแบ่งแยก กายป่วยใจไม่ต้องทุกข์ใจก็รู้ทันใช่ไหมแบ่งเลยถ้าใจไม่ทุกข์ในอาการป่วยทางกายมันหายไวรักษาได้ง่ายไม่ต้องเป็นไข้ที่รับยาเวลาร่างกายมันป่วยใจเป็นทุกข์เนี่ยบางทีไม่ปฏิเสธยาทั้งหมดเลยเนะไม่ดูแลตัวเองแต่ถ้ากายป่วยใจรู้อ๋อล่างกายป่วยแบบนี้เนาะเราไม่ต้องทานยาก็ได้เป็นไข้ในดื่นน้ําเยอะๆทำร่างกายอบอุน่น เวลาเป็นไข้สูงก็เอาน้ํามันรูปตัวเช็ดตัวมันก็หายเห็นไหเกิดสติปัญญารู้ทันอ๋อกายเดี๋ยมันต้องป่วยเราเป็นไ ข, หข้หลายข้างหลายขาก็โอ้กลายต้องเป็นอย่นี่แหละเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเรานะแล้วเราก็ดูแลทุกอย่างเป็นเรื่องของเราทั้งหมดมันก็แยกเราไปยึดถือมันไม่ได้หรอกมันต้องแยกกันนะอะไรก็ตามที่เกิดจากร่างกายก็เป็นธรรมชาติของเขา ร่างกายก็าทำหน้าที่เป็นธรรมชาติใจก็ทาหน้าที่รู้ร่างกายต้องการบุหรี่ไหมธรรมชาติของกายคนไหนที่ต้องสูบบุหรี่อันนั้นเป็นเรื่องของจิตใจเรานะเป็นเรื่องของจิตใจเราอ๋อใจมันเกิดความอยากเกิดความต้องการเกิดความเท่มันเก๋อะไรต่างๆนะใจมันคิดเองแล้วก็เอาสิ่งนี้ไปใส่กับร่างกาย กายไม่รู้เลยนะองศารมันมันต้องปอดต้องหูกควันมันลมเ <c oughs> วลาทํางานเหนื่อยมันต้องการออกซิเจนที่มันบริสุทธิ์โอแต่เราจะต้องมีบุหรี่เข้าไปอัดต้นหน่อยผ่อนคลายผ่อนคลายเมือ่ อ, อ, อเกิดโรคไปแค่เจ็บเพราะจิตใจเราเนี่ยขาดสติรู้ทันว่ากายต้องการอะไรอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าใครนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างมันชัดเจนเ แล้ต้องแยกกันจะรู้ทันเรื่องของกายออกกายนี่มันก็ต้องความไม่เที่ยงบังคบัญชาไม่ได้หรอกไม่อยากป่วยมันก็ป่วยเ mm hmm. มื่อป่วยแล้วอยากให้มันหายไวๆมันก็ไม่หายไวแล้วแต่อาการของมันเ mm hmm. นี่เกิดสติเกิดปัญญาฉลาดเหระจะปล่อยวามันได้กับตรงนี้แหละเรื่องของความคิดเรื่องของกิเลสเนี่ยคนที่มีความโกรธรือมีความโลภเนี่ยมันเกิดทั้งวันทั้งคืนไหม มันเกิดชั่วขนาดหนึ่งชั่วขนาดหนึ่งแวบ๊บเดียวแล้วมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ทําตามมันก็หาถ้าทําตามคือไปปรุงแต่งต่อเติมเวลาเกิดความโกรธโอ้โหก็โกรธมากมเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทความโกรก็รุนแรงนะมันไม่ดับที่ี่มันจะดับโดยธรรมชาติแล้วก็ไปปรุงแต่งให้มันเติมเชื่อมานีกมันก็โกรธไม่เลิกเป็นความอาฆาตพยาบาท พอเริ่มต้นโกรธปั๊บเป็นแค่ความโกรธที่มันจอมาสู่จิตเท่านั้นเองแต่เราพยายามไปปรุงแต่งมันเพิ่มทำไมถึงต้องทำกับเราไม่มีเหตุผลอย่างนี้มันใช่ไม่ได้ไปปรุงแต่งจากความโกรธปรุงแต่งเป็นอุปทานความยึดมั่นว่าเรากโกรธเลยและก็ต้องทาตามความโกรธให้ได้เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นอุปทาว่าต้องทาให้ได้ ต้องเอาให้ได้อีโต้งให้ได้เนี่ยจะต้องได้จะต้องเอาให้ได้แก้คืนให้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่นนะจากความโกรธนิดเดียวนะเราไม่ปล่อยให้มันผ่านไปหมันดับไปเองแต่เราไปปรุงแต่งมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ใช่เป็นความโกรธธรรมดาแล้วมันเป็นเราโกรธเต็มที่แล้วถ้าเป็นตัวตนในสิ่งนั้นเมื่อไหร่แล้วก็มันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตเราเลยแล้วต้องทําให้ได้ด้วย ให้ดีด้วยให้หนักหนาสาหัสด้วยนี่มันอันตรายตรงนี้นะมันจะเป็นกรรมทางจิตก็ตรงนี้แหละเสร็จแล้วมันจะนะมันจะระเบิดออกมาทางกายทางวาจาเราเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนนเะพราะเราไม่ไม่มีสติรู้ทันในความโกรธในขณะแรกเสียก่อนปล่อยมันลุกลามทีนี้ดับยากหละมันก็ไหม้ใจเราแล้วก็ไหม้คนอื่นคนรอบตัวคนที่เราโกรธ อันนี้ ค, คนขาดสตินะคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยคิดฆ่าตัวตายด้วยด้วยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยตอนแรกทุกคนเวลามันผิดหวังปั๊บมันจะคิดเลยว่าโอ้นี่เราตายดีกว่าแล้วไม่ไม่จบตรงนั้นนะพอผิดหวังไหนโอ้เราตายดีกว่าผิดหวังที่ล้วก็ตายดีกว่าให้ความคิดไปบ่อยๆ อ, อย่างนี้ไปบ่อยเนี่ยมันฆ่าตัวตายได้นะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเกิดจากการย้ำคิด คิดบ่อยๆบ่อยๆเมล็ดกลายเป็นเรื่องธรรมดาปไอ้การฆ่าเราตายเรื่องธรรมดาปแล้วมันฆ่าได้จริงๆฆ่าตัวเราตายเนี่ยางทีฆ่าเราไม่พอฆ่าคนรอบตัวฆ่าญาติของเราลูกเราสามีภรรยาเราก็มีนะนั่นแค่ความคิดผิดบังเราคิดฆ่าตัวตายไม่รู้ทันมันแล้วมันฆ่าได้จริงๆนั้นระวังให้ดีนะพอคิด ปั๊บให้มิสติรู้ทันอาไว้ให้มันจบตรงนั้นอย่าให้มันเบ่งบานจนกลายเป็นอุปทานเป็นความยึดมั่นถึอมันและมันจะต้องทําให้ได้เนี่ยมีคนมีปัญหาอยากิด้ทำเข้ามาปรึกษาลูกก็ถูกฆ่าตายลูกถูกฆ่าตายคนนี้เป็นแม่เขาโกรธมากซึ่งกฎหมายทําอะไรคนที่ฆ่า ลูกเขาไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานกฎหมายทำอะไรไม่ได้ไม่มีหลักฐานเขาแค้นคนที่ฆ่าลูกเขามากเขาผูกโกนตลอดเวลาเลยนะเขาแค้นมากโกรธมากจนนอนไม่หลับจนมีโรคภัยไข้เจ็บไปหาหมอหาหมอทีออ่ทางด้านหัวใจเพราะว่าเขานอนไม่หลับเขามีความเหนื่อยเด็ดเหนื่อยกระวนกระวายทนก์ทุกไรมากนอนไม่หลับ หมอที่รักษาโรคหัวใจเขาดูว่ามันไม่เป็นอะไรเลยหัวใจปกติแต่จิตใจไม่ปกติหัวใจกับจิตใจในี่สิ่งเดียวกันไหมหัวใจเป็นส่วนรูปธรรมจิตใจเป็นส่วนนามธรรมาหัวใจไม่เป็นอะไรแต่จิตใจใน่ยมีความอาฆาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทไม่อยู่ที่หัวใจอยู่ที่จิตใจเขาจึงนอนไม่หลับ ร่างกายสู้ผอมและพร้อมที่จะเป็นโลกอีกหลายโลกจากไอความคิดอาฆาตปยาบาทเนี่ยเขาบอกว่าไม่ยุติธรรมกรรมไม่มีจริงทําไมจะไม่มีเพียงแค่เขาคิดอาฆาตปยาบาทเนี่ยมันก็เป็นกรรมทางจิตแล้วเขาก็ไม่มีความสุขแล้เขาก็นอนไม่หลับแล้วถ้ามีจริงไอคนที่ฆ่าลูกเขาจะต้องรับกรรมสิ เขารับเรียบร้อยแนละ้วเพราะว่าแม้แต่กฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้แต่ใจเขาเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยถ้าคนที่ฆ่าจริงๆนะเขาจะไม่อยู่เป็นสุขเลยเขาจะคิดตลอดเวลาสิ่งที่เขาทำขึ้นมาบอกว่าทำไมคนที่ฆ่าลูกเขาทำไมยังลอย น, นอยู่ได้เขาอยากให้คนที่ถูกที่ฆ่าลูกเขาเนี่ยต้องชดใช้กรรมไปติดคุกไปอะไรนั่นเป็นความสาดใจของคุณต่างหาก กฎหมายทําอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรับาาาก็จะไม่ค่าจริงก็ได้เพราะไม่มีหลักฐานอะไรงั้นหน้าทีเองคุณก็คือไปอุทธร์ไปดีกาก็ทําไปแต่นั่นแหละมันเป็นเรื่องราวที่ยาวนานนะอุทธร์ดีกาก็ต้องใช้เงินใช้เวลานะในเมื่อเขาตัดสินไปเรียบร้อยแล้วเราอย่างไรก็ไม่ยอมรับไม่ได้เขาบอกลูกก็เป็นคนดีงั้นทําดีก็ไม่ได้ดีดิ แล้วตอนที่ลูกคุณตำช่วเนี่ยคุณรู้ไหมมองแต่ในส่วนที่ดีนะส่วนที่ไม่ดีมันก็มีถ้าลูกเป็นคนดีจริงลูกตายไปแล้วเนี่ยลูกจะเป็นคนที่ให้อาภัยนะให้ภอภัยคนอื่นนะแต่คุณทหาที่ไม่ยอมให้อาภายัยผมเข้าใจในความเป็นแม่หัวอกของคุณแม่ต้องเป็นอย่างนี้แต่มันจะมีประโยชน์อะไรเล่าในเมื่อเราต้องผูกอาฆาตปยาบาทร้อนอกร้อนใจด้วยตัวเราเอง ไม่ประโยชน์เมื่อมนแล้ไปแล้วก็ อ, อ๋อสิกรรมไปซะเราจะได้นอนหลับได้สบายไม่งั้นเราก็มีโรคไปก็เจ็บมากมายยิ่งโกรธมากอาฆาตมากก็แก่ไวตายเร็วแก่ง่ายและตายเร็วหน้าตาก็ไม่สวยแล้วลูกคุณตายไปแล้วจะนอนตาหลับไหมในเมื่อแม่เป็นได้อย่างเนี้ยถ้าแม่ให้อาภายัยในลูกจะไม่แค้นแม่หรอกนะว่าทําไมไม่โกรธเขา ลูกจะตายด้วยความสงบพระท้ารุเป็นคนดีจริงลูกต้องให้อภัยก็บอกเอาเถอะเมื่อกฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมเนี่ยมันตามร่างผานที่จิตใจเขาเขาจะนอนไม่หลับไม่สบายใจเขารับกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วในเรื่องของจิตใจเนี่ยหนีกฎหมายอาจจะหนีพ้นแต่หนีกฎแห่งกรรมแต่มันหนีไม่พ้นหรอก เพราะมันตามที่ติดใจคน mm. ก็เรียกมันโนกรรมนะ <Yeah. S 1> ให้เขาเข้าใจตรงนี้ซนะแล้วฝึกทําใจสักหน่อยฝึกสติเพราะว่าเขาเองบอกเขาทำใจไม่ได้ว่าฝึกสกติให้รู้ทันใจเราสิสติที่จะทําใจได้สติจะยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฝึกเอาไว้อย่างนี้นะ่ะ mm. ก็เล่าเป็นตัวอย่างเล่าถึงเรื่องเรื่องราวในอดีตสมัยอันนี้นาน ม, มาแล้วนะที่ว่ามีเสือ mm. เสือสนเนี่ย เสือสนเนี่ยทําความผิดไปเยอะป้นข้าเขาไม่มากมายเสือสนเนี่ยกินก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขเพราะตํารวจตามร้างตามจับอยู่เรื่อยเสือสนทําความชั่วมากๆเขาก็ไม่มีความสุขเวลานอนต้องเทูบผูกไว้ที่ขาพอโทูบไม้ที่เท้าก็ลุกขึ้นรีบเปลี่ยนที่นอนทุกคืนนะ มั่อไเดี๋ยถูกตำรวจสะกดรอยตามจับได้นอนตรงไหนก็ถูบผูกไว้กลางคืนนะแล้วเวลาไฟมันไหมเรามาถึงท่าตื่นเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนที่นอนทุกวันเวลากินก็ไม่มีความสุขวันหนึ่งตำรวจจับได้เอาเข้าคุกเลยเสด็จสซนว่าเออวันนี้นอนหลับสักที <c oughs> ระหว่างที่เ้าหนีซองตอเในี่ใจเขาไม่มีความสุขเลยพอเขาถูกจับได้ปับ๊บเออยอมรับโทษทันเขาก็เขาก็นอนหลับสบายเองเนี่ยเหมือนพวกเราอนะเนี่ยบางคนที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยตอนน้าจะท่วมเนี่ยโอ้ลุ้นท่วมไม่ท่วมหลายวันเครียดมาหลายวันทุนเปล่าวะดูทุกวันเลยนะท่วมไหมลุ้นล้นไปลุ้นมาเนี่ยพอน้ําท่วมมาเออโล่งไปทีไม่ต้องมาเครียดเพราะไอ้น้ําท่วมหลือไม่ท่วมเนี่ยก็แบบเสื่อมสน แล้วก็แบบคนบางคนที่ว่าเออต้องยอมรับให้เขาเป็นไ ป, น ป, นปนตามกรรมเขาทำความดีเขาก็ได้รับกรรมดีเขาทำความชั่วแม้ว่าใครไม่เห็นแต่เขาก็รู้ว่าเขาทําอะไรอย่ามีคนมาชมว่าโอ้คุณนี่ดีทุกอย่างเลยในะชีวิตคุณดีทุกอย่างเลยเราก็ไม่เคยภูมิใจเนาะไอส่วนที่ไม่ดีเราก็มีแต่เขาไม่รู้นะเพราะฉะนัะ้นมันมีสิ่งนี้เราต้อง ใจเรารู้อยู่แก่ใจเพราะฉะนั้นให้เราฝึกสติเอาไว้ฝึกสติเอาไว้ให้อยู่กับปัจจุบันตรงนี้แหละคนที่อยากลืมเรื่องราวในอดีก็อยู่กับปัจจุบันเรื่องอดีตก็จะลบเลือนหายไปเองเนี่ยฝึกเอาไว้ทุกวันทุกวันเนี่ยฝึกได้ในยุคจาบันเลยเป็นบุญตลอดเวลาเป็นบุญทุกวันโดยที่ไม่ต้องเข้าวัดก็เป็นบุญได้นะทบุญที่ที่ทางานของเราเนี่ย เนี่ยเนี่ยที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่าลาลามเนี่ยฝึกเอาไว้เลยนะเป็นสะติเอากายเป็นวัดเอาใจเป็นพระกายอยู่ไหนใจตรงนั้นอะมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นวัดเป็นพระอยู่ในตัวเป็นการฝึกตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเป็นเป็นการเก็บเกี่ยวบุญกุศลในช่วงในภาษานอกภาษาก็ทําอย่างนี้แหละเราจะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ความจริงของตัวเราสติเนี่ยมันต้องใช้ ใช้ทุกเมื่อคืออยู่กับว่าเราจะใช้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การฝึกฝนคนที่เกิดปัญหาคนที่ขาดสติต่งนั้นคนที่มีความทุกข์คือคนขาดสติตงนั้นคนที่มีความสุขกอคนมีสติคนขาดสติสุขมันไม่ค่อยเกิดหรอกมันเข้าไม่ถูก <laughs> ถ้ามีสติแล้วเปิดช่องในจิตมันเป็นปกติเนี่ยมจะเริ่มมีความสุขมีความเบิกบานในจิตใจ หัวใจในพุทธศาสนาเนี่ยใครๆก็เคยได้ยินมาแล้วหัวใจในพุทธศาสนาคืออะไรละความชั่วทําความดีทําจิตให้ขาวรอบใช่ไหมละความชั่วความชั่วไม่ทําทําแต่ความดีทําจิตให้ขาวรอบชั่วไม่ทําทําความดีนี่มีสอนในทุกศาสนาแต่ทําจิตให้ขาวรอบเนี่ยมีเฉพาะศาสนาพุทธ จตคลาวล่อเป็นยังไงคือต้องไม่ยึดมั่นแม้กระทั่งความดีใช่ไหเขาเรียกต้องไม่ติดดีทำความดีเพื่อความดีไม่ใช่ทำความดีเพื่อให้เราดี <c oughs> ใช่ทำความดีเพื่อความดีถ้าเป็นเราดีขึ้นมาถ้าใครชมว่าเราไม่ดีเนี่ยมันเดือดร้อนหรือไม่ได้ลาบไม่ได้ยศไม่ได้ตำแหน่งเราก็เดือดร้อนอีเพราะมันมีเราคอยผสมมันก็มีปัญหา จิตขาวรอบคือจิตที่ไม่ยึดติดว่าเป็นเรา จ, จริงๆจะข่าวรอบยึดติดเมื่อไหร่แล้วก็มันมีเราขึ้นมาแล้วก็มันจะมีความเศร้ามองในจิตใจล่ละจะไม่ข่าวรอบคนที่อยู่เหนือกรรมได้ก็ต้องจิตต้องขาวรอบเพราะนั้นละความชั่วทำความดีทำจิตได้ขาวรอบเนี่ยจะทำอย่างไรก็ต้องฝึกสติเนี่ยฝึกสติ ทำให้เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของจิตว่ามันไม่ใช่เราซะจิตมันก็จะขาวรอบเป็นปกติมันมีความเบิกบานผ่องใสมีความอิสระของจิตใจก็จิตถึงข่าวรอบเพราะนั้นกรรมเกิดจากความยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่ากายจิตปเป็นเราเมื่อไหร่แล้วก็เราก็ต้องเป็นไปตตกรรม ถ้าเราไม่ยึดมั่นถึือมั่นว่ากายจิตเป็นเราเนี่ยก็มีแต่สติปัญญาล้วนๆนเรื่องของกายก็ทําหน้าที่กายไปเรื่องของใจทํำหน้าที่ใจไปโดยที่ไม่มีผู้กระทําเรียกยูนเหนือกรรมหลักกรรมสูงสุดคือการยู่เหนือกรรมการจะทําจิตให้เขาล่อไปอยู่เหนือกรร ม, รออรรมได้นั้นเนี่ยคิดเอามันไม่ได้หรอกยิ่งคิดเมื่อไหร่จิตมันก็เริ่มเป็นกรรมเข้มามามากมาย ถ้ามีการฝึกสติก็เราวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาไปว่าความรู้แจ้งมีปัญญารู้แจ้งก็ต้องเริ่มต้นในการฝึกสติฝึกสติก็ไปสติเวลามัิมากขึ้นมันก็เกิดปัญญารู้ความจริงของกายเขาจีการรู้แจ้งคือรู้เรื่องของตัวเรานั่นแหละเนี่ยเป็นวิธีการเข้าใจเกี่ยวับเรื่องนำเอากรรมมาใช้ในวิจิตประจาวัน คือการมีสติอยู่ทุกเมื่อมันเป็นไปได้ไหมสติทุกเมื่อเวลาเราหลงไปแล้วก็รู้สึกตัวเนี่ยคือการมีสติละมันเกิดอทุกเมื่อเวลาหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้เนี่ยอันนี้คือการมีสติได้ทุกเมื่อเมื่อหลงแล้วก็รู้ก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้เป็นสติได้เหมือนกันร่างกายก็ตามที่คิดว่าชีวิตเรายังเป็นไปตามการรมอยู่ก็ยอมรับไปก่อน แต่การยอมรับนี่ไม่ใช่ยอมแพ้หรือยอมจำนวนแล้วก็สร้างกรรมใหม่ขึ้นมากรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมาเขาเรียกเป็นกรรมดีนะสร้างกรรมไอกรรมดีทำความดีหรือการฝึกสติในชีวิตประจำวันก็คือการทำความดีคือสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาบางคนนอนทอแท้บอกกาลังใจเพราะกำลังใช้กรรมทาไมไม่พัฒนากรรมที่เราใช้ ให้มันเป็นกรรมดีขึ้นมาล่ะเนี่ยผมป่วยพิการมาต้องใหม่ๆแล้วโอ้เราต้องใช้กรรมเ อ, อแล้วมานอนใช้กรรมไปอยู่อะไรเราก็สร้างกรรมใหม่เดียเอาอาการป่วยไข้ของร่างกายเนี่ยมาฝึกสติมาฝึกจิตฝึกใจซะ <c oughs> เปลี่ยนเป็นกุศลกรรมซะเห็นไหมมันเปลี่ยนแหละที่จะนอนใช้กรรมเปล่าเลยเราอยู่เพื่อสร้างกรรมใหม่ที่เป็นกรรมดีกรรมดีคือฝึกสติให้เกิดปัญญา ให้จิตนี่มันอยู่เหนือกรรมของตัวเองให้ได้ผมไม่ได้อยู่เพื่อใช้กรรมผมอยู่เพื่อสร้างกรรมดีให้กับคนอื่นด้วยซ้ําไปช่วยเหลือคนอื่นนั่นเป็นกรรมดีตลอดช่วยแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องการไม่เอาสิ่งที่ตอบแทนไม่เอาขอบความขอบคุณไม่มีไปพูดที่ไหน ใ, หใครนั่งฟังจะตั้งใจฟังหรือไม่ได้ก็ไม่จะไม่เกี่ยวผมผมทาหน้าที่สร้างกรรมดีหน้าที่พูดแล้ว คนจะสนใจหรือไม่ไม่เป็นไรคนจะเอาไปปฏิบัติตามหรือไม่ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรามีแ้่ที่พูดในสิ่ที่เราควรจะพูดเรื่องของเขาจะจำเอาไปทําตามหรือไม่ทําตามเป็นสิทธิ์ของเขาไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็พูดแบบอิสระสบายเลยสบายเลยเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรก็ทําในส่วนของเราซะ สิ่งที่เราทำดีแล้วก็ทำาดยที่ดีซะก็จบในการทำหน้าที่ถ้าไปหวังผลว่าคนต้องตั้งใจฟังต้องนั่งนิ่งๆหลับก็ไม่ได้อะไรว่าไม่ไม่เกี่ยวอย่างนั้นลราจะเป็นทุกข์กับการทำหน้าที่การทำงานเราก็ตามทำอย่างมีความสุขคือทำในส่วนที่เราควรจะทำส่วนผลยังไงนั้นเป็นเรื่องของผลเราบังคับไม่ได้เราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถสร้างเหตุขึ้นมาได้ พอสร้างเหตุดีถูกต้องแล้วผลมันก็ออกมาดีตามอยู่ดีถึงออกมาไม่ดีก็เรื่องของผลแต่เราจบแล้วที่การสร้างเหตุเราจะได้ไม่ต้องไปเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีมันไม่ถูกใจเรามันเป็นเรื่องของของเขาเราจะไม่คาดหวังอะไรแต่เราสร้างเหตุเอาไว้ทาไมวันนี้จึงพูดเรื่องกรรมรู้ไหมตอนแรกก็ไม่ได้กลาจะพูดเรื่องนี้เอาเป็นหลักคุ้เรื่องการเจรสติ แต่เราก็รู้ว่าเรามาพูดที่ไหนอ๋อเราพูดที่กระทรวงอุตสาหกรรมเราพูดที่กระทรวงอุตสาหกรรมอุตสาหะเพราะขยันมันเพียนโอ้กะทวงขยันตร้งกรรมโอกระทัวนี้กระทรวงขยันสร้างกรรมเนาะก็พูดเรื่องกรรับก็จริงๆนะอุตสาหกรรมคือขยันสร้างกรรมเพราะว่าเนี่ยจะมีมีโครงการหนึ่งที่กระทรวงเนี้ยก็เรียกโครงการ ช่วยเหลือผู้ประตกอุทกภัยมีไหมเนี่ยมีในกระทรวงเนี่ยผมอยู่ที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมเนี่ยคุณสีหน้าเนี่ยเป็นประธานชมรมประธานชมรมเพื่อนคุณธรรมเนี่ยก็มีกิจการทําขนมลูกชุบถูกน้ําท่วมขนมลูกชุบปตปูกน้ําท่วมจะเป็นไงมันก็ละลายไปกันทั้เสียหายมาก ชดใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบก็เนี่ยได้กระทรวงขยันสร้างกรรมเนี่ยแหละช่วยมีโครงการน้ำท่วมเนี่ยส่งผู้เชี่ยวชาญให้ไปให้คำแนะนำในการฟื้นฟูนฟกิจการแล้วก็พัฒนากิจการให้ดีขึ้นใ ห, นหให้ชมรมเพื่อนควรทมขยันสร้างกรรมเหมือนกันอันเนียกระทรวงอุตสาหกรรมเนกระทรวงที่ช่วยเหลือสังคมเน่ แล้กระทรวงขยันสร้างกรรมดีขยันสร้างกรรมดีนะชมรมที่ผมอยู่นี้ก็ได้รับประโยชน์รับประโยชน์จากส่วนที่กระทรวงศึกษาก ร, รได้ไปช่วยเหลือเหมือนกันตอนนี้ก็มาเป็นนักเรียนอยู่ที่เนี่ยที่อะไร ก, มนะกมรมอะไรกรมส่งเสริมเนี่ยก็เป็นนักเรียนเสารทิตยอยู่อาทิตที่แล้วไม่ไม่ได้มา <laughs> กเก่งเรียนเนยเนี่ยมีประโยชน์ เอาแค่นี้ดีไหมบางคนชักหน้าเลยโอ้วรอมานล้นี่ใครมีอะไรอยากจะถามไหมที่นี่ไม่ ม, ม, มีนักปฏิบัติบ้างเลยเหรอไม่มีใครฝึกสติบ้างเลยเหรอมีค่ะเอท <ำ S 1> <ๆ>ําอยู่เหมือนกันคนะ่ะอแต่ว่ายังทําไดนาาไ้น้อยมากค่ะเในน้อยเราชอบเจ้า <c oughs> คุยก็ทําได้น้อย <c oughs> คนนําเก่งแล้วไม่อยากคุย <c oughs> เขาเก่งแลละ น้อยเราชอบคุนที่กำลังเริ่มหัดเดินนี่ชอบอเราจะได้ช่วยประคองก็ไม่ทราบว่ามีท่านใดอยากจะซักถามอะไรไหมคะหรือว่ามีข้อสงสัยในสิ่งที่ที่เราได้ลองทำแล้วไม่ได้อะไรเงีเ้ยวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติมาด้วยตัวเองก็จะอธิบายทำให้ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีมีไหมคะ พี่เจี๊ยบเชิญพี่เจี๊ยบค่ะทําทํายังไงอ่ะคะทําไม่ได้พี่เจี๊ยบลองพูดนิดนึงว่าได้ทําอะไรไปอ่ะค่ะแล้วอ๋อทําได้ทําได้ลองดูนะทําได้เดี๋ยวจะสอนทีเดียวนะทําได้นห่ลองเอาเอามือข้างใดข้างหนึ่งวางบนโต๊ะสิสมมตินะลองวางข้างเดียวนะวางบนโต๊ะเจะถนัด แล้วลองพลิกมือหงายรู้ไหมเอามือคว่ำดิรู้ไหมหงายดิรู้ไหมเอามือควา่ารู้ไหมว่ากําลังทําอะไรเอามือหงายแล้วนะลองพลิกไปเรื่อยๆพลิกมือหงายพลิกมือคว่ำก็รู้หงายก็รู้อย่าไปดูมัน ให้รู้อย่าไปใช้สายตาอย่าไปมองนี่รู้ด้วยความรู้สึกมือหงายก็รู้มือความเราก็รู้รู้ไหมอ่าอันไหนลองเอานิ้วจีกกับนิ้วมือสัมผัสกันข้างเดียวนะสัมผัสกันอย่าไปดูบ่านรู้รู้สึกไหมว่ามือสัมผัสกันแล้วเราก็พิบพ์ตาดิรู้สึกไหมว่าเรากลาลังพิมตา ลองหายใจเข้าลึลกดิหายใจออกยาวๆรู้สึกไหมอันไหนลองยืนดิกันทั่งยืนยืนยืนยื น, ยนอ น, นั่งลองนั่นลงลงรู้ไหม <c oughs> นั่นแหละคือสติรู้ว่ากายกำลังทําอะไรก็รู้นั่นแหละคือสติรู้กายไห น, นลองนึกถึงลองตื่นกัคว่านึกถึงชื่อตัวเองดินึกถึงชื่อตัวเองนะ รู้ไหมว่าเรากำลังนึกรู้ไหมว่าเรากำลังนึกรู้ไหมโอ้โหเนี่ยเรารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกก็ใช้ได้แล้วเพียงแต่รู้อย่างเงี้ยเรื่อยๆมันหลงไปแล้วก็อันเริ่มต้นรู้ใหม่แล้วมันก็จะลืมไปก็เริ่มต้นรู้ใหม่ น, มม น, ม น, นึกได้ก็รู้ใหม่นึกไม่ได้ก็ช่างมันมันึกได้ก็รู้ใหม่ว่ากายกำลังทำอะไรใจกำลังคิดอะไรเนี่ยเป็นการฝึกสติง่ายมาก เพียงแต่เราต้องมีความเพียรทำบ่อยๆทำบ่อยๆกายเคลื่อนไหวก็รู้บ่อยๆเวลาใจมันคิดก็รู้ทันบ่อยๆเท่านั้นเองในแต่ละวันเนี่ยเติมความรู้สึกเข้าไปการทำข้างนอกทุกอย่างตามปกติแต่ข้างในเนี่รู้ทันว่ากายกาลังทำอะไรหรือใจกาลังคิดอะไรตรงนี้แหละคือ ก, การสติอยู่ข้างในเราอากาข้างนอกอาจจะดูไม่แตกต่างกัน แต่ข้างในเนี่ยมันต่างกันที่เรามีความรู้ตวัวนะคนอื่นเขาไม่รู้ตัวทำอะไรด้วยความเคยี force, แต่เรารู้ว่าเราทำอะไรมีมีพรามมาถามถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ปฏิบัติโล ก, กรุธรรมอย่างไรในแต่ละวันในวันวันหนึ่งเนี่ยพระองค์ปฏิบัติโลกรัธรรมอย่างไรโลกรุธรรมคือทำเบื้องสู ง, สงทาที่อยู่เหนือโลก พรามมาถามพระเจ้าตัดว่าดูก่อนพรามวันวันหนึ่งเนี่ยเรานั่งเรานอนเรายืนเร า, นาเดินแค่นั้นเองพรา ม, มวัเลาะเอ๊ะใครๆก็นั่งก็นอนก็ยืนก็เดินทั้งนั้นเองทุกคนทําอย่างนี้หมดเลยแต่พระเจ้าตัดว่าพรามณ์คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะนั่งนอนยืนเดินแต่ก็ทําด้วยอาการไม่รู้ตัว แต่ตะาคตนั้นนอนนั่งยืนเดินก็รู้ตัวเห็นไหมข้างนอกเหมือนกันหมดแต่ข้างใ น, นเนี่ยรู้หรือไม่รู้นเอเวลากายขึ้นไหวเรารู้ใช้ได้แล้วเวลาใจมันคิดอะไรวับเรารู้ใช้ได้แล้วใช้ได้ตอนที่เรารู้ทันแต่ถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรหรอกธรรมชาติเรามันก็หลงธรรมดาอยู่แล้ว แต่นึกก็ได้เราก็รู้ออรู้ว่าเรากาลังนั่งอยู่อันนั้นคำว่าไม่ได้น่ะไม่มีหรอกมีแต่เรายังไม่ได้ลองทำอย่างหนึ่งคำว่าไม่ได้คือทำไมเราจึงไม่ไม่มีสติไม่ก็เรารู้ว่าเราไม่มีสตินั่นแหละเรามีสติแล้วเรารู้ว่าเราไม่มีสติเรามีสติแล้วว่าอ๋อเนี่เราไม่มีสติเพราะเรามีสติใช่ไหมจึงรู้ว่าเราดีเป็นขาดสติ มันหลงแล้วเราก็มรู้ท่นเองปนนี้ทําได้ไหมแอบยิ่งบอกไม่ได้ <c oughs> ไม่น่าก็ลองลองขยับมือเล่นลองขยับมือแล้วก็รู้สึกตัวเนี่ยมันก็ได้แล้วคำว่าได้ของเรานันคืออะไรคําว่าได้ของเรานันคืออะไรที่เราบอกว่าทําทําไม่ได้เราเข้าใจแต่ว่าที่ทําได้เนี่ยคือทําอะไรหมาถึงอะไร หมายถึงอะไที่ว่าเราถ้าเราทำได้ใอ่บอกไม่ได้แล้วก็รู้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อเนื่องก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าทําได้ต้องต่อเนื่องรู้สติเกิดบ่อยๆอันนั้นคือทําได้หรือเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นหรอกเมื่อเราหลงลืมไปแล้วเราก็เริ่มต้นทําเอาใหม่เริ่มต้นทําเอาใหม่บางคนเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาไม่มีสติเลยก็คิดคิดคิด นั่นแหละคุณรู้ว่าคุณคิดทั้งวันนะคุณมีสติแล้วถ้าคุณกาดสติคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณคิดทั้งวันไอการที่รู้ทักอาการาต่างๆนะ่ะมันการมีสติจะไม่ให้ความคิดเกิดขึ้นเลยจะไม่ให้อารมณ์เกิดขึ้นเลยจะไม่หลงเลยมันเป็นไม่ ไ, มได้แต่คิดเรารู้หลงเรารู้ท่านเองเติมนะไล่เติมความรู้สึกไปเรื่อย เราจะรู้ว่าอ๋อทุกอิ่งทุกอย่างนเป็นชีวิตเป็นธรรมชาติของเรา